จริยธรรมสำหรับผู้ให้บริการประชาชนจริยธรรมก็มีกฎเกณฑ์ของท่านอยู่แล้วจริยธรรมของผู้บริการประชาชนมันจะมีอะไรไดียิ่งไปกว่าพรหมวิหารสีให้มีความรักความเมตตาปราณีแผนการที่เราจะสร้างความรักความเมตตาปราณีมันอยู่ที่ตรงไหนศีลหกับพรหมวิหารสี เ้าหน้าที่สาธารณาสุขบริการประชาชนด้วยความรักด้วยจิตเมตตา